บทที่แปดสิบสองยานาเยเรนดูอดีตการสองบุตราลมเรนดูแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมไม่รูแอมบลส์ในปิลวันสวันชินดาแล้วคุณต้องเรียกหม่อไหม มีรู้หมอที่นร่ไปเลว่าลูกศิษยชินดาแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมมีรู้ตำรวเลยไปเลวาลูิษยินดาคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะมีวัดดาโทรศัพท์เบอร์วุนดานาวัดดาอินทตคอมุนเปวุนดีคุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ มีวัตถะชิรุณ่ามั่วมันดะนาวัตถะอินตะกคุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยคะ่ะมีวัตถะซิตี้แมพมันดะนาวัตถะอินตะกุมนุนเเขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้คะ่ะไอ้เ น, นี่ยาสามัยอันนีก้กวร เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะนะโดวค่ะโดว่ากันกับเล็กอภเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะทนาาไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ มีเรือสายงานอกิดขึ้องาไทำไมคุณหาทางไม่พบคะมีเรืองด้วยว่าอันต้การะไราทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ ม, คมีหนียนองการทันเจสโกเลยก็ไปอยาดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมีบัสวนนสเลกุ ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองนาวัดีใ น, นด น, ะเ น, เนดด ว, นว่ากโยนุดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป m าละกันด์กลังกาวนันดวนยนารถงคาเลดูดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ เนนุแท็กซกวัสวัชชินดีดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองเนนุซิตีแมพกนัลสวัชชินดีดิฉันต้องปิดวิทยุเนนุเรดีโออาพัสวัชชินดี